งูตรงนัน้นนะเวทีโบถึงตรงไหนหยุดตรงนั้นเลยว่าแค่นั้นตอนนี้ใครมีคำถามอะไรไหมที่ผ่านมาสงสัยอะไรหรือมีอะไรเชิญครับโอเคการจงเลือกครับผมขอบคุณมากคือ ครับเมี้ได้คุยกันนะครับเรื่อง ก, การแสดงความเข้าใจว่าบางทีพอเราพูดถึงการทรงเลือกเราบอกเ อ, อถ้าพระเจ้าเลือกเราแล้วคนอื่นพระเจ้าไม่เลือกถ้าพระเจ้ามีสติปัญญาในการเลือกอย่างนั้นก็นแสดงว่าเราก็ไม่ต้องประกาศถูกไหมเพราะใครก็ตามที่เขาควรจะลอลพระเจ้าก็จะเลือกเขาแหละ ต้องทำความเข้าใจว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับไม่ได้ไปแตะเรื่องคนไหนรอดหรือไม่รอดเพราะเราต้องเข้าใจความจริงว่าการสิ้นพชนของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพื่อใครบางคนแต่เพื่อทุกคนทุกคน และพระเจ้าเลือกเราก่อนเพื่อเราจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะไปประกาศนําคนเหล่านั้นที่อยู่ในแผนการในการทรงเลือกของพระเจ้าในอีกเวลาหนึ่งช่วงเวลาต่อจากเราไปหาเขาและเมื่อเขาพบความรักความรอดของพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็เลือกเขาในช่วงเวลานั้นเพื่อจะต่อยอดไปสูงอีกกลุ่ม บุคคลหนึ่งที่พระเจ้าทรงมีแผนการในการทรงเลือกของเขาต่ออไปอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าตรงนี้เราได้รับความรอดละพระเจ้าเลือกเรามาสู่ความรอดละไอ้คนอื่นไม่รอดพระเจ้าไม่ไดเลือกเขาประกาศยังไงเขาก็ไม่รอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องทําความเข้าใจตรงนีว่าในบริบทของคำว่าการทรงเลือกคือเลือกเราเป็นเศษที่พิเศษที่จะมาเป็นผู้รู้เหตุ และทําหน้าที่เพื่อจะนําผลแห่งการสิ้นประชนการไถ่บาปและแผนการการคืนดีของพระเจ้ากองมนุษย์ไปถึงคนเหล่านั้นเพื่อพระเจ้าจะได้สแสดงผลแห่งการส่งเลือกของโป่งตัดคนเหล่านั้นเพื่อต่อยอดไปช่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งบต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือประมหมาณของคำว่าการส่งเลือ่องนะ้อคนอื่นมีอะไรไหมครับ ตอบได้ทุกคําถามแต่ไม่ได้หมายความมาอธิบายได้อาจจะคําถามบางคำถามถามม า, มมามแล้วตอบก็ไม่รู้ก็ได้นะครับโอ้มไม่รู้ทุกเรื่องนะฮะเชิญครับคุมเซล้ว่าควรจะมีบทเรียนสําเร็จ ร, รูปที่ให้ทุกกลุ่มเรียนเหมือนกัุ่มเซลลควรจะมีบทเรียนสําเร็จรูปให้ทุกกลุ่มเรียนเหมือนกันไหม อ, อันนี้จะเกี่ยวข้องกับ สองด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่หนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการมีกลุ่มเซลล์ใ น, นี้วัตถุประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเร า, ถ, าถ้าเมื่อเราเราชัดเจนในวัตถุประสงค์นะครับเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าเราควรจะมีบทเรียนแบบไหนเหมือนกันทุกเซลล์ไว้และอีกเรื่องหนึ่งก็คื อ, อนโยบายของคิีดจำกัดในภาพรวม ว่าคิดจักในภาพรวมคืออะไรแน่นอนถ้าเรามีกลุ่มเซลล์ต้องจำไว้อย่างว่ากลุ่มเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนคิดจักในภาพรวมนะถ้ากลุ่มเซลล์เกิดขึ้นไม่ได้สนับสนุนคิดจักในภาพรวมในที่สุดวันหนึ่งเซลล์จะลองเติบโตคิดจักแย่ลงนะครับแล้วเมื่อคิดจักแย่ลงเซลล์ตโตอันนั้นผิดวิสัยละ เราอาจจะมีส่วนมีมีสิทธ์ที่จะถูกคํา้ลละหาว่าเซลล์เนี่ยกลายเป็นเนื้อลายที่มันโตขึ้นมาเราไม่จะไม่คิดจัโตัวจำไว้เลยว่าเมื่อเรามีเซลล์นะั้นเราต้องเราต้องสนับสนุนฮนะจิตจักให้เจลลริญเติบโตทุกๆส่วนของเซลล์นะครับมาสนับสนุน จ, จลลติตจับเจริญเติบโตเหมือนกับเซลล์ในร่างกายสนับสนุนให้ร่างกายทั้งตัวนี่นะครับจเจลลริญเติบโต นั่นก็เรามันระวังผมขอนุญาตจริงๆนะครับให้ให้ให้ให้เรารักกติกาแล้วก็ดําเนินตามกติกานโยบายธรรมนูญหรือควรจะเรียกอะไรกัขอบคิดจากรในคระบรมวงศแล้วก็มีอะไรอย่างที่ว่าถ้ามันมันล้าสมัยมันอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องโรงเรียนสังกิตธรรมเนี่ยก็ปรับปรุงเปลี่ยนใจใหม่นะข้อเสนอเนื้อหาที่ผมยื่นไปให้กับโรงเรียนสังกิตธรรมนั้นวันนี้ กลาเป็นหัวใจอันหนึ่งือของโรงเรียนประิทศทำอย่างนั้นนะครับเขารับไปแล้วแล้วผมก็ไปสอนแล้วก็ปรับปุงขึ้นมาจดยที่มันเกิดเกลอโอเคแล้วล่ะมันก็ได้คิดว่าแค85เปของเนื้อเพราะว่าเราทําขึ้นมาคือคำว่าปัญหาสศรษฐกิจบาลที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้หมายว่าปัญหาเรื่องการร่วมโอวอรี่เรื่องการรับสักล่ะไม่ใช่ผมก็มันพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจบ า, านในอีกมุมหนึ่งไงที่จะในยุคนี้เราต้องมีจริงๆเลยอนยะ่าเงี้ย จศรษิจพิบัตเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกัการบริหารยังไงรษฐกิจพิบัติเราจะบริหารเวลาอย่างไรวันยีบสชั่วโมงเราจะจัดเวลาอย่างไงอะไรอย่เงี้ยปัญหาอีกด้านหนึ่งของเศริจพิบัตเหมือนกันในธรรมนูในนโยบายออยากให้ธรรมดูมาเป็นข้าราญการนะให้ธรรมดูเป็นเครื่องมือของมนุษย์ดังนั้นคุณกำหนดธรรมดูแล้วกลายเป็นข้าราญการขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ธรรมดูมาควบคุมเราแทนที่จะเป็นเครื่องมือของเราอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ก็าพ exactly ูกันพูดกันผมเชื่อว่าเราท้กหลายถ้าไม่มีทิฐิแล้วมีเจตนาจริงชัดเจนภายใต้ความโปร่งใสของพระเจ้านะครับคิดจะจะเจริญแน่นอนเพราะพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่โอ้ยสุดยอดทางด้านปัญญาทางนั้นนะนั้นก็ทำเถอะบางครั้งแม้ปัญญาดีแต่ทิฏฐิสูงเนี่ยมันก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าผว่าไม่แน่ใจนะฮะช่วยกันนะก็ ดูแลกันนโยบายของพิจับเป็นยังไงภาพรวมนะครับแล้วก็จุดประส ง, งค์ของกลุ่มเซลล์เป็นยังไงนะคราบแล้ว จ, จุดประสองค์อะไรก็ตามเปิดช่องว่างให้เซลนะครับเป็นที่รองรับผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจและคนที่ไม่เป็นพิเยษด้วยเพราะว่าเซลล์จะเจริญเติบโตได้อย่างไรถ้าคนที่ไม่เป็นพิเียนไม่เข้ามาในกลุ่มเซล์ เซลจะต้องแตกต้องเจริญแล้วก็แตกเซลแตกเป็น2 2เป็น4อะไรเพราะฉะนั้นงันถ้าคุณจะทำสุขผสมอะไรก็ตามเปิ่อช่องให้เซลเนี่ยมีการแตกเซลได้เกิดขึ้นนะครับยังคงแนะนาอีกทีนึงนะครับว่าเซลเมื่อบริบทของเซลจริงๆไม่ใหญ่แต่เมื่อพูดถึงคิดกับใจใหญ่เพราะว่าเรามีเซลเยอะร่างกายผมทั้งตัวประกอบด้วยเซลเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อให้เซลเยว นะแล้วก็มีเซลล์เกิดโตขึ้นมาผิดปกติไอนั่นเือหลายรือปงเนี่ยโตเอาโตเอาโตเอาคุณว่ามันโตแล้วมันบวมเนี่ยเพราะว่มันบวมมากกว่ามันยีงต่อนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จริงๆไปด้วยกันไปด้วยกันขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆแล้วก็เราจะเห็นชัดเจนว่าเราทั้งทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนอยู่เพื่อที่จะเราที่จับอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและแันดินของพระเจ้านั้นจะเคลื่อนไปตามพระประสงค์ขององค์ ซึ่งเป็นอะไราอย่างที่ยิ่ใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงในวันเวลาอันใกลในแน่นอนก้อนนี้เป็นยุทธชยแล้วนะอ่ะเรากลับมาที่ไมโครไมโครแผงการสร้างสาวก อ, อันนี้ก็แบ่งเป็นห้าขั้นตอนโดยเห็นไหมฮะมีทาเป็นตารางเอาไว้เลย นะโดยเริ่มต้นจากการตัดสินใจนี่เป็นกระบวนการที่อาศัยเรื่องของการความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาก็ามาเป็นแนวเห็นมฮะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นวิธีหนึ่งถ้าคุณฟังเสร็จเรียนเสร็จไม่เหมาะต้องเอกวิธีเอาเลยนะให้เห็นชัดจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะ การตัดสินใจใหมายความว่าคำอธิบายาพ่อแม่ตัดสินใจที่จะมีลูกทีนี้เรามาดูเรื่องจิตปัญญาก็คือการตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปเป็นประญายไทยนะคำอธิบาย ตัดสินใจว่าจะจดจ่ออยู่กับคนสามคนหรือสองคนหรือหนึ่งคนก็ได้นะครับตัวเลขตรงนี้จะยังไงก็ได้ถ้าท่านมีชจํำปันที่ดีกับคนหนึ่งกลุ่มเอาเลยนะยังเฉพาะจอดจงที่จะนำต่อมาถึงนความรอดของพระเยซูคริสต์โอเคแปลความว่าในการที่เราจะ น้ำวิญญาณสาร้างสาวกเป็นปะยานอะไรตรงนี้บกบวนการทั้งหมดเนี่ยอย่าทำเหมือนกับที่หลายหลายทิจและหลายหลายคนทำทำได้ไงเอาพวกเราวันอาทิตย์นี้หลังน้ำมัส ก, การเราจะไปประกาศน้ำวิญญาณกันที่ลุมพินีชวนรู อา บ, าบเสรป้ามาบกินข้าวเสร็จตั้าางอาทิตย์ถึงเลยเฮ่ได้ไ่มที่ ล, อลอ็อกตู้ล็อกต้นแถวลอ็อกอะไรหวากันพอไปถึงโชลุกกระจายออกไปเลยไปประกัศมันก็โอเคนะฮะแต่เราทำอย่างนี้ต่อเนื่องไหมต่อยอดไหมเราก็บอกว่า การต่อเนื่อจะเกิดขึ้นเมื่อเขาตอบสนองเราก็จะไปต่อถ้าเขาไม่ตอบสนองเราก็จะไม่ไปต่อนั่นไม่ใช่ลูกแบบที่ของกาลังดำเนินแกะตัวนั้นที่หายไปสองอย่างที่คนนั้นเขาทําคือตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเสมอต้นเสมอปลายถ้าไม่เจอ ไม่เลยเก้าสิบเก้ตัวนั้นโอเคเก็บไว้ก่อนอยาคิดว่าเรามีก้าสิบเก้าตัวท่านมันหายไปตัวหนึ่และเขาต้องไปจนจบนั้นขอบพระเจ้าช่วยลราไม่ใช่เพราะเขาตอบสนองเราก็ไปไปหาเขาต่อเนื่องก็ไม่ตอบสนองก็แล้วก็หยุดเมื่อไหร่เราก็หยุดเมื่อนั้นไม่ใช่ครับ เราต้องเป็นไฟรุกการประกาศนำวิญญาณและสร้างสาวกเราเป็นไฟรุกเพราะคำสั่งของพระเยซูชัดเจนท่านทั้งหลายจงผมขอเติมคํานีนะ้ว่ารุกออกไปสั่งสองชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราพระเยซูไม่ได้บอกเลยว่าถ้าเขาไม่ตอบสน อ, นองเนาะเไปชนทุกชาติ ในทสุดเราจะเจอดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเป็นใครนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนถามว่าท่านท่านจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนงั้นเราก็ไปคุยกับคนที่ยังไม่รู้จักไม่ได้ใชได้ได้ได้ครับแต่ว่าเราต้องแน่ใจว่าเราจะพบคนที่เราไม่รู้จักคนนะนะั้นน่ะยัตนต่อ โอเคถ้ายัางน้อะไรนี่ไงแล้วไตกมนเลยจะท้ายจอยเราออกไปเนี่ยคอนโดสูงๆแตะไปหมดไปเคาะเลยทุกค้องคุยกียางทำความสัมพันธ์กียางให้เข้าใจแล้วก็เข้าไปเคาะจะทำยังไงกันอย่าเพิ่งจะลืมนะั้นอย่าทำคนเดียวทำทั้งคริจัดทำทำัทำ้งคริสจัก นะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าคิดว่างานการประกาศและการนำมิ่งยาและการสร้างสาวกเนี่ยทำยังไงก็ได้นอ <No. S 1> ดูพระเยซูพิธีพิถันขนาดไหนให้เราทำจริงนะอ่ะตอนนี้เราถึงต้องกำหนดนะครับว่าเราจะตั้งปเป้าว่าจะเป็นใครระบุคนคนนั้นไปเลย ชื่อไว้เลยนะพิกไปดูอันนี้นะครับประกันที่1นึพิกไปดูหน้าเจ็ดสัมพัญกันเมื่อเรากำหนดซื้อเสร็จปั๊บเราเขยียนชื่อไว้ในหน้าเจ็ดนี้เลยคนที่1ชื่อนายปิโยลิกมักหุตัศรนีเขยียนลงไปไอ้หมอนี่มันดื้อมันเกลยียนะ ประวัติบุคคลเกี่ยวกับสาตินาพที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้ชีวิตสมรสก็เป็นยังไงทะเลาะกับเมียทุกวันลูกก็มักจะเข้าข้างภรรยารก็ทะเาะกับลูกด้วยลูกคุณเขียนไปปัญหาอะไรเขียนยังไอาชีไม่เป็นหลักกำลงังเขียนยังไงสุขภาพแข็งแรงมาก ไม่รู้แข็งแรงแต่ยสังคมสังคมเขาอยู่กับพวกขี้เราเมาอย่ า, ป, าปัญหาเรือใจกร้ายนี่คือคนแรกที่เราจะไปเจอเขาว้าวขนาดนี้เราจะเอาคนอย่างนี้นะมาเป็นสาวกว้าวว้าวรับคำท้าไหมรับคำท้าไหม ไอ้หมอนี่เป็นคนไหมที่ไอยู่เนี่ยเป็นไหมนิสัยเกเรตีเมียในโลกเนี่ยอาทีไม่เป็นหล่งหลหรป่าวแข็งแหล่งโอ้โหไม่หวแลเดยาทำร้ายเราอะไรอะเป็นคนไหมพระยิูงโตตายก็เขาไหมอ๋อพราะฉะนั้นคุณต้องมีความหมายยิ่งยิงคุณรู้สึกโหรมันมันยากเท่าไหร่ก็ตับในความรู้สึกคุณนะ มันยากแค่ไหนก็ตามคนก็จะจิ้งรู้สึกประทับใจเท่านั้นถ้าวันที่เขากลับใจใหม่และผมเขายืนยันว่าเขาจะกลับใจใหม่แน่นอนถ้าคุณทํากับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนยืนยันไม่ว่าคุณจะมีฝีปากดีหรือไม่ดีแค่ไหนก็ตามขอยืนยันถ้าคุณไปในนามของพ ร, ระเยซูคริสต์ขาม้ก็ได้ขาวอะเลือดใครก็เถอกลับใจใหม่ก็นั้นแหละแก่ตัวนั้นในที่สุดเราจะเจอ ทองไว้เลยแต่ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าคนที่เราจะตั้งเป้าหมายไว้ประวัติผมไม่เลวร้ายขนาดนี้นนะคงยัง <c oughs> ดีกวบา น, นี้นักเรียนวัฒนาเล่งอธิษฐานดูว่าพระเจ้าใช้เล่งใคไรจบ ป, ปรตรีนะผู้ชาไน่เกียวพง <c oughs> มีนโยบายของของของโรงเรียนเขานะลงรู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้เวลาสังเกตคนหนึ่ง นูอยู่ชั้นไหนยังมีเวลาอยู่ในโรงเรียนี้กี่ปีแล้วเราคุยกับเขาอย่างไรเราจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ยังไงเชื่อเถอผมขออนุญาตพูดเป็นเชิงชาบ้านชาบ้านอะไรเลยฮะร้อยทั้งร้อยครับใจใหม่จริงๆทำไมมันง่ายอย่างนั้นมันไม่ง่ายครับ แต่มันได้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นยาบริสุทรักเขามากกว่าเรารักเขาเยอแต่พระเยซูชิ่นกะชนเพื่อเขาเพระอจะปล่อยให้อะไรมาขวางไม่ได้เลยนะวันนี้รอใครคนหนึ่งที่จะไปลงทุนจากเขาเท่านั้นนวันตั้งเป้าหมายไว้นะฮะ็จะแล้วเห็นไหมครับอพอเรากรอบที่หนึ่งกรอบที่สองความต้องการเฉพาะนะั่นเขาคืออะไร มีปัญหาอะไรไหมติดยาไหมหรือว่ายากจนไหมไม่มีอาชีพไหมเป็นโจรไหมหรือมีหนี้ไหมก็ไม่หนีตารวจไหมหรือมีโจทย์คอยไล่ยันก็ไม่หรือว่ามีอะไรหวาเข็าไปปราเมินการตอบสนองก็จะมีหนึ่งพอเราไปหาเขาแล้วเขาที่ยังไม่พูดถึงเรื่องพระเจ้าไหมต่อต้งเราก็พูดถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์เฉย มองดูเราแต่กเริ่มสนใจสนใจมากจริงๆมีการตัดสินใจเราก็ประเมินแต่และครัำนะครับอุปสรรคหรือสิ่งผิดขวางทั้งภายนอกภายในมีอะไรบ้างนะครับหัวข้ออธิษฐานเขามีปัญหาอะไรห้าเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจตามหลักข้อเชื่อกันนิดหนึ่งอธิษฐานเพื่อเขาโดยไม่ต้องรอเขาเป็นเครื่องเกยบ ไม่รู้ไปเอาคําสอมมาจากไหนถ้าคุณยังไม่เชื่อพระเยซูพระเจ้า ม, ามันตอบคํำอธิษฐานคุณขอโทษคนลกเลื้ยงสิบคนนั่นเชื่อพระเยซูย่างตอนที่เขาหายโรคย่างเขามาขอพระเยซูรักษาเพราะเขาเห็นว่าพระเยซูรักษาได้คนตาบอดรู้ว่าพระเยซูเป็นใค ร, รเิซูบุตร ช่วยัเจ้าด้วยพระเะยซูถามต้องการรักษาตาผมพอหาเขาก็ตามพระเยซูไป้องหายไม่ค่ตามพระเยซูไปไม่รู้ใชมีคำเยอะมากมีปัญหาหรอือคุณต้องมาเชื่อพระเยซูก่อ น, จนอาจอธิษฐานแล้วไปไหน no no no no n อ, อ, อ, อ, าอาธิษฐานไม่ได้คุณอธิษฐานได้ถูกไหถูกอ่านยอนบทที่สิ้าก็สกอีกครั้งนึงเน้นประโยคสุดท้าย อ่านครับอ่านครับย้อนบทที่สิบ้าก็สอ่านพร้อมกันเลยเราอ่านไปแล้วล่ ะ, ลลละลเราอ่านที่เราเน้นประโยคสุดท้ายเนื้อสองซ้ำ ขอสิ่งใดในนามของเราทำเราเลยยังงนั้นเราอาธิษฐาเพื่อเขาปัญหาอะ้รแล้วนี่ก็สินผมบอกพระองค์เรื่องเราไปเกิดผลแล้วเรากำลังอยู่ในกระบวนการการเกิดผลและพระองค์จะก็่ามันไม่มีทาง สิ่งี่จะนไปสู่การเกิดผนมันต้องการลิเกตต้องการพวกออกแบบวันตรงนี้เวลานี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้พบดิค่ะเฉยลยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เร่นี้เรื่อนี้คอยดูคาตอบแล้วคุณจะตื่นเต้นพร้อมไปกับคนเหล่านั้นเขามีอธิฐานหรอกพระเจ้าไม่งเขาหอไม่ใช่แต่เราใช่ เราใช่ <Okay. S 2> บางอย่างก็ใจผิดนะว่าหล่ออธิฐานเพื่อคนที่ไม่เป็นกิเสเดียนแล้วพระเจ้าไม่ตอบเพราะเขาอย่งไม่เชื่อโน้ no. ผมเคยได้ยินคำประยัดทิสตีนอธิษานเพื่อควายวันป่วยพระเจ้าตอบไหมตอบวันหาย ไปหาหมอนะครับชะวัไปบอกไม่เป็นไรหรอกถ้าจะฆ่าตรงนี้ก็ดีจะได้เอาเนื้อมากินแต่ถ้ารอตายก็ยังคงกินได้อยู่ล้วถ้าคุณแล้วพูดแล้วเขาเาเาเป็นชาวนาเขายากจนน่ยเมีความเลี้ยงันี่ยเอาหนอก็เหมือนลูกนะชาวนากับควาเน่ยนลูกหมุน่ามสัมันกันนแล้วก็อธิตแฟังก็ไม่น่าหายอ่ะพวกองค์เจทนถ้ามันจะตายก็มันตายที่นี่เลย แต่ตะกืนนี้มันไม่ตาโกงยัยมันตจลอบาน ไ, ไ, ไปไปผมรับไม่ได้ระบบอธิษฐานคำคุณจริงใจขอมันหายพรุ่งนี้แล้วประตูจ่อมบังควายเก็บตกลงควายรับเชื่อได้ไหมเนี่ยทำไมคุณไม่บอกว hey, เฮ้ยอย่าเพิ่งอธิษฐานเลยเขายังไม่รับเชื่อพยาจะไม่ตอบหรอ ถ้าควายยังหายคนมีค่ามากกว่าคาควายในสายพระเนของพระเจ้าเยอะไหมวันของพระเจ้าต้องทำความเข้าใจตรงนี้ชัดๆนะครไม่รู้คำสอนที่ไหนมาท่าี่ทิานเกิดก็ไม่เป็นกิเสเสียนแต่เขายังไม่เป็นคิเสเสียนพระเจ้าไม่ตอบเขาบอกเราคุณอธิษฐานพระเจ้าตอะมีคำถามไหครับตอนนี้ผมไปอานนิดหนึ่งแต่จาเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องไอ้คนเป็นพยคนเดียวกันเนี่ย เรื่องควายเนี่ยเขาเล่าต่อไอีกเร่หนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกที่หมู่บ้านเขาเนี่ยมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งก็ไม่เก่งแต่อะไรก็เด็กนุ่มแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จกมาแล้วยังเรียนอยู่แล้วก็มามาใกล้ๆมาฝึกงานแล้วก็ป่วยป่วยมาสอาทิตย์ติดต่อกันแล้วก็เทสนามไม่ได้ เจ้มาเทตก็เลยอธิษฐานอธิฐานเสร็จก็๊เองคนเนี้ก็กลับไปอธิฐานสมมติเยาวนิฐานถัวควายพระองค์จะฆ่านักเทศคนเนี้หนุ่มคนนี้มันมาล็อกแค้พระเจ้าสองเทแล้วมันเทศไม่ได้ถ้าโป้งแคมันตายก็มันตายไปเลยแต่ถ้าแคมันหายมันหายเลยอาทิตยนี้มันจะได้มันเทศได้ไม่ตายหายจริง เอางีเข้าใจนะเพราะฉะนั้นหัวข้ออธิถฐานคุยกับเขาปัญหาเขาเราแก้ไม่ได้เราแต่พระเจ้าแก้ได้อะไรที่ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยปัญญาอะไรที่ต้องแก้ด้วยการอัศจารย์แก้ด้วยการอัศจรรย์อะไรที่ต้องแก้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก้ด้วยความช่วยเหลืออะไรที่ต้องแก้ด้วยการให้ทรัพย์สินเงินทองให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ต้องแก้ด้วยโอกาสให้เขามีโอกาสอะไรที่ต้องแก้ด้วยความสัมพันธ์ให้เขาระความสัมพันธ์สมอน ปัญหามีไว้ให้แก้โลกให้ปัญหาและคนที่อยู่ฝ่ายโลกไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาแต่พระเจ้าให้ปัญญาปัญญาคืออะไรครับทำจำกัดความของผมอยากจดก็ได้ไม่ใช่ขับคมปัญญาคือความสา ม, มารถในการใช้ความรู้ไปแก้ปัญหา ผมเอาคำนี้มาจากพระคพีี่แหละปัญญาคือความสามารถ ability ในการใช้ความรู้ไอ้พวกมีความรู้ตัวผู้ตัวไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาใช้มันความรู้เยอะแต่ไม่มีปัญญาใช้โอเคไอ้พวกความรู้น้อยแต่มีปัญญาใช้โอ้ไปรอดเพราะปัญญาคือความสามารถในการใช้ความรู้ไปแก้ไขปัญหา ดังนั้นท่านก็มีปัญหาอภ า, านขอพระเจ้าประทานปัญญาให้คุณคุณจะเห็นแนวทางทาง่าเรลืออย่าผมสรุป ม, มาจากเรื่องอะไรรู้ไหมจำได้ไหมกริย์คนหนึ่งในปั้งปีนี่นหะเออขอปัญญาจากพระเจ้าพ ร, ระเจ้าบอกเอาไปเลยแต่เมื่อเขาได้รับปัญญาไม่ได้รับมาเป็นแก้วเป็นขวดนะจำไหมรู้ได้ไงผมได้รับปัญญาแล้วพระเจ้าบอกเอาไปเลย ทันทีเลยครับแม่สองคนแย่งลูกหนึ่งคนแล้วบอกว่าไอ้ลูกของเขาจะตายไอ้นี่ลูกเป็นอยู่ของฉัน<ๆ>เวลานั้นมันไม่มีดีเอ็นอนี่คุณหมอตรวจกันไม่ได้และกระสัตรงนี้มีความรู้ว่าแม่รักลูกคุณกับผมก็รู้ว่าแม่รักลูกแต่เราใช้ไม่เป็นแต่กระสัตรงนี้ใช้เป็นชึ้เลยหันลูกเป็นสองท่อนต่อหน้าแม่แล้วแม่ตัวจริงจะปาดเจ็บเพรจะปกป้องลูกไว แม่ตัวจริงไม่ยอมให้ลูกเป็นตัวขันอยู่แล้วลูกจะมีชีวิตอยู่กับที่ไหนก็ขอให้มีชีวิตอยู่ไปแล้วกันแล้วในสุดแม่ตัวจริงปากกให้เข้าไปแลก่าด้วยเห็นไหเขามีความรู้เรื่องแม่หลักลูกคนอื่นก็มีความรู้เรื่องแม่หลักลูกแต่พอมาถึงถ้า e คสมาถึงเราเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็งงงกันเรื่อยเรื่รู้ได้ไงใครแต่ม่เราก็งงกัน เพราะเรามีความรู้ไหมแม่และลูก ร, รู้แต่เราแค<ช>่เปลนมันแค่เปลี่ยเจอปัญหางงนะฮะเรั้ผมสรุตรงนี้เลยว่ากระสับองนี้มีความสามารถในการใช้ความรู้เพียงแค่นั้นมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในยืดปัญหายากไหมไม่ยากเขาเจ้าให้ปัญญาคือไหมให้ใช้สิไม่ใช่ปัญหางตัวเองเหรอกพวกเราที่นั่งที่เนี่สบายออก ไอ้ที่บอเป็นปัญหาปัญหาไม่ใช่เช่นอย่างคนมาใส่ตัวเองอะลงไปช่วยแก้ปัญหาคนคนเหล่า น, นั้นที่คุณจะนำเขามาเป็นสาวกใชครับตืนเต้นครับแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาเห็นว่าคุณมีปัญญาแก้ไขปัญหาเขาเขาก็อยากได้ปัญญานนั้เมื่อเขามาเป็นสาวกเขาก็จะรับปัญญาจากพระเจ้ญญาและเขาสามารถแก้ไขปัญหาอีกคนหนึ่งโดยเขาดูจากคณลณแเมื่อเขาใกล้ชิดคุณมากๆเขาก็รู้คุณว่าคนธรรมดา หม่ๆก็าจจะรู้สึกทึ่งว้าวทำไมคุณเจ๋งอย่างเงี้ยพอใกล้ๆๆเองก็ธรรมดาก็ธรรมดาแต่พระเจ้าต่างว่าเห็นไหมฮเพราะฉะนั้นหน้าเก่งเป็นงานที่เราต้องจริงจังกับคนที่เราเลือกทั้งหน้านะฮะเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนนะ้หนึ่งคนถ้าคุณมีสามคนคุณต้องมีสามใบถ้าคุณมีสองคนก็คือสองใบแล้วเหล็กเป้าต่อไห ที่กำลังหกใหม่นั่นคือเป้าหมายร <c oughs> ะการที่สองคุณตัดสินใจแนละ้วจะเอาใครรุประยูนนีใส่มีแล้วก็เสดจประวัติเขาใช้เวลาของเขานะฮะดยไงใช่ไหมกว่าจะมากรอบทุกอย่างได้นะครับมาถึงกรอบสุดท้ายนะครับคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนที่จะไปมหาสู่กันอย่างน้อยสัปดาหสามครั้ง มีเสียงโอโหเวลาคุณตั้งท้องคุณใช้เวลากันเด็กในท้องสักยาละ 3,000 โอโหมไหมทุกฝันลูกโอเคเห็นอะไหรไหมเห็นอะไหรไหมเห็นในตัวเองไหมชีวิตนะครับจิตวิญญาณนะครับ ่าส love, ูงครับวัดใจยาเราตอนนี also, path, ้ไม่รู้นะขอเก้าสูงครับประการที่สองเมื่อคุณตั้งเป้าเสร็จปั๊บอยู่ตรงนี้จุดจ่อดยูกับผมใช้คำว่าสามคนโอมันมากนะครับสามคนก็คนละสามครั้งสามคนสับกาห์ละกล้าวครั้งละาาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามโอ้โหก็สามคนโอเค มานึงขั้นตอนที่สองการปฏิสมทิพ่อแม่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวการในความรักคอยเกิดชีวิตใหม่ในการควงคุแม่แปลว่าโอเคสองคนแต่งานล้อยากจะมีลูกก็มีความสักพันกันมาถึงตรงนี้และตรงนี้ในบริบทของจิตวิญญาณคือเราเริ่มอธิษฐานเลื่อนคนที่เราตั้งเป้าไว้ไปคุยกับเขาเราจะได้รู้ว่าเราจะอธิษาอะไร ถูกต้องและเมื่อเราอธิษฐานอ่ายอนที่15บห้1ก็บกจาวนี่นะความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้เขาเกิดขึ้นในชีวิตของผมจากคนนี้เพราะเรากำลังดเนินชีวิตเพื่อขอเกิดการเกิดคนหาฮาแล้วคอยดูตื่นเต้นคับคุณเชื่อผม เขารับคำตอบคุณตื่นเต้นเารับคำตอบคุณโตขึ้นแล้วเขาจะมีแตคราเวลาคุณเป็นเป็นพยานสร้างสามโอกคนีไม่เป็นกิเลสคุณจะสูญเสียคุณจะลอนต่อโตขึ้นแต่คนเดียวมาเชื่อเยซูแล้จะเจริญตัดโตเป็นสาอภายต้นกันดูแลของคุณนะครับผมขอยืนยันถ้าคุณเอาจริงจริงใจเวลาไม่ถึงสาเดือนด ด้วยประสบการณ์ตรงนี้ผมไม่อยากจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นความจริงมันเป็นหลักการไม่ได้แต่รู้วยประสบการณ์ตรงนี้ในตอนที่ผมทำงานที่จับรอบตำรวจบอกเลยเซลไหนก็ตามนะครับที่ไปในสามเดือนไม่มีใครสักคนกลับใจม่ปินเซลนิดปกติแล้วก็มานั่งคุยกันให้ทุกคนในเซลนั่งคุยกันเกิอะไรนฮมโตันาเดือนจริงๆมีการกล จริงๆกลับักับบักนจับบันะครับจับบักไม่อยากกลับใจใหม่เจะให้ถูกหวยรื่อเไม่เยให้ได้รวยมันไม่ใ yes, ช่ไม่เกีああ่ยวไอเฮลท์แวล์เนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องนี้สาวกของก็ยังวมีชีวิตที่บริสุทธิ์ะปรเด็นหลัธินานของเราและในการอธิธรรอ่าจะนด้มาดูนะ ก็เป็นภัยหนักเก็ดแล้วอ่าหน่าหน่าหน้าหน่าหน่าหน่านาซิซอืมนะซิซนะ มีการอธิษฐานอยู่ห้หประการตรงนี้อธิษฐานในขั้นตอนของการตั้งเป้าหมายนะเห็นไหมเราก็พลิกมาดูจากหน้าเสก็ย้อนมาดูหน้าหการตั้งเป้าหมายตรง น, นี้นะครับเห็นไหมครัก็คือบรรทัดแรกชอ่องแรกเราอธิษฐานอะไรอธิษฐานอะไรเป็นการเปิดตาเปิดต ฟังนะดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สัมพันธ์ไปนะครับในหน้าสิทธนั่นแหละค่ะไล่ขึ้นไปเลยตั้งแต่ขอ 13, 16, 11, 11, 11, ้อ1 3บ2 1 1 1ิบสองสิบเอ็ดสาเกี่หวั้ อ, องการงั้นข้อ13คือการอธิษฐานเพื่อต่อสูอ้กับวิญญาชั่วต้องอดอาหารรู้มไหมคนนั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นทิษฎีการที่เขายังไม่เป็นทิษฎีเขาดูาใบได้ การควบคุมของวิญญาณชื่วไม่ได้ถูกปีงเข้าแล้วรับแต่เขาอยู่ภายใต้ไหมไม่ว่าจะเป็นความคิดวิสัยทัศน์อะไรทั้งหมดทั้งหมดเขายาอ่าเ น, นเหตุผลก็จะดูเป็นตัวของตัอเองทั้งหมดมันไม่ใช่มันเป็นผลที่เกิดจากการเชื่อฟังมาผลของการกินต้นไม้ ผลไม้กับต้นไม้ต้นนั้นที่พระเจ้าหและเมื่อคนเชื่อฟังใครคุณก็เป็นทาสของคนนั้นดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาครับเปิดตาให้เขาเข้าใจเขาเห็นขอให้แสงสว่างให้เขาเปิดตาเมื่อพระเจ้าเปิดตาเขานะครับมีแสงสว่างจะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเข้าไปเขาจะได้เห็น ถ้าคุณไม่เปิดตาเขาแสงสวรางยังไงเขาก็ไม่เห็นไปถามคนตาบอดสิตาบอดจริงๆเ็าไม่รู้หรอกมันนด้สว่างหรืนไม่เห็นแสงคุณต้องเขาเห็นแสงวิธีให้เขาเห็นเปิดตาเขาเห็นไหมครับดูข้อจุสองในการที่ถามต้องยืนหยัดในความเชื่ออย่างมั่นคงจนกว่ ข้อ11ความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญของการอธิษฐานก็เสรการอธิษฐานเพื่อความรอดของผู้หลงหายเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ําพระไทัยพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้น10 11 12 13จริงจังพระเจ้าตอบเพราะอะไรที่เป็นน้ําพระไทัยพระเจ้าพระเจ้าตอบพราะไอ้ชั่วอธิษฐานขอให้เป็นไปตามน้ําพระไทัยพระเจ้าอรุณลุย ทำได้มครราเริ่ต้นเมื่อเานี้มีกี่คนที่อิฐานเผื่อคนหลงหายเพื่อแม่ที่ฐานเพราะคุณไม่รู้จะอธิฐานคุณเขาเป็นไหนแล้วที่จำเกิดญาติของเราที่ยังไม่เป็นทิจเสนาการอธิฐานแบบโ่จากการขอเขากลับใจใหม่ขอเขาก็ใครสักคนบาอยาเขาแล้วแต่เราจะคิดอะไรได้ขมอันกลับมาเป็นเรื่องเวลาที่หนึ่งเป็นเรื่องเวลาที่นึงเปิตาเขาแลมารูขั้นตอนที่สอง ขั <yo virtually> mm ้นตอนการอธิษฐานวิงวอนนะครับเป็นการเปิดสว่างอธิษฐานวิงวอนเป็นการเปิดสว่างเอาเราพลิกกลับมาดูหน้าที่6การอธิษฐานวิงวอนเป็นขั้นตอนที่2เห็นไขั้นตอนที่2ในช่องจิตวิญญาณ ไล่มาอธิษานมีวินวพวันตรงนี้จะตุ้งเ อ, อธิการพื่อคน3าคนนั้นยังจริงจังมีวอนอะไรก็ตามปัญหาอะไรที่มีอยู่ตรงนั้นอธิธามเขาเขาเชิญอะไรอธิธามมีนี่อะไรยี่สิล้านเราจะไปกล้า ต, ตายอธิธามยี่สิล้านยากไหมครับยากไหมยากไหมตอบจริงๆเลยยากมาก แสเนียนยากเลยโอ้ย <c oughs> สิบล้านเลย <c oughs> พระเจ้าเคยถามพระเยซูเคยถาม <c oughs> ตอนที่จะให้คนหนวยคนเนี้ยยกแค่เดินไปหรือการที่จะยกโทษบาปของคนหนุ่ยคนเนี้ยอันไหนจะง่ายกว่ากันนอะอันไหนจะง่ายกว่ากัน รหองคําถามจริงๆในพวกเราเนี่หมือนกับคนในยุคนั้นเลยง่ายเท่ากันสำหรับพระเจ้าแต่ก็ยากเท่ากันสําหรับมนุษย์ถ้าพระเจ้าให้คนมอยกแคร์ไดพระเจ้าก็ยกโทษให้ก็ได้ก็ยิ่งชูฐานขอบคุณพระเจ้าเอเมนทำไ้นะจีเซกลาง สำหรับพระเจ้าง่ายยกทบาปง่ายให้เขาบังเกิดใหม่กับปนี่เขา20ล้านอันไหนะง่ายกว่ากันเออเทากันอะไรเท่ากันยากเท่ากันจะ้องเกิง่ายเากันประจาอาถ้าช่เจยกทบาปให้เขาได้20ล้านทำไมจะโอ้20ล้านมันจะจ่อมากนิดเดียวมันเป็นมันเป็นวัดถูกนิดเดียวแต่ยกทษบาปมัน ให้นี่ชีวิ ต, ตองไปเยสูชีวิตทั้งชีวิตอหขนาดนั้นเยยกโทษได้นี่บายงยกโทษได้กัน้นลงเห็นลจริงไมเห็นลจนริงเ<ส>ชื่อเชื่ออเพราะมันใช่ น, นั้นตัเลขยนนวัตถุนี้เดียวว น, นั้นขอระเจาให้เรา ได้เสริมความเชื่อพ้นฐานความจริงของพระบรมปีติจริงอ่ารัคิดับคิับ มีลอตอีกเห็นไหมพี่เพราะในขั้นตอนของการอธิษฐานวิญวนเนี่ยต้องแตรียมอธิษฐานเพื่อคนสามคนนั้นถ้าเราเอาหนึ่งคนก็คือ1คนนั้นอย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็คอยกรอกกันคอยกรอกในหน้าแจกโขก อ, อธิษฐานมีเรื่องอะไรเขียนลงไปแล้วก็กี่เรื่องมาตามที่ผมให้ไป5เรื่องนี้น้อยมากนะครับคนอาจจะใส่ไปก10เรื่องกว่าไปเลยแล้วคอยดูเขาจะออกทั้งสิบเรื่อง บางคนอจจะต้องรอจนถึงเรื่องที่สิบขาอถึงจะมาสำนึกได้แล้วพอมาสำนึกได้ปั๊บเราไเล่าเรื่องว่าคุณไม่ได้สานึกได้ว่าพระเจ้าช่วยคุณรักคุณนะครับแต่คุณต้องสำนึกปากมั่จะร่พอเขาสำนึกได้วาพระเจ้ายิ่งใหญ่เอาละเขาอยากเชื่อพระเจ้า้เชื่อพระเจ้าได้จะไม่รู้ที่สซ้ำเลยากคืออะไรเราเพิ่งจะมาถึงจุดนี้เท่นั้นเองจำไว้นนี่คือรูปแบบที่โยชุวาทำคิดดูได้กันครับ รู้จักพระธารมโยชัวไหอเูล่าในพระธรรมโยชัวบทเท็ทายจได้ไ ถ้าเรามาดูในบทที่24ผมผมสรุปนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนต้นเนี่ยโยชูวากับโยชูวาเขาเป็นหัวนหน้าเผ่านะกับอีก11เผ่าก็ไปในแค น, นาหานไปสอดแนงถูกไหมแล้วทุกคนก็เห็นค้องต้นแล้วก็ใช่ในตามที่พระเจ้าบอกอุดมสมบูรณ์นะ แล้วก็กลับมาไรนนะข้อมูลวมสมูเลเนี่ยโอเคแต่อีผู้นำอีกสิบเผ่าในครัวก็เลยใส่ร้ายทำให้ประชาชนกลัวด้วยให้มันมียากกว่าไปตายแต่โยชวัวกับคาร์ลจงได้ไหมยูือย่างว่าเข้าเข้า ว, าวจำไดนะ้ไหมถึงแม้เราจะมีผู้นำที่มีความเชื่อดีชีวิตดี มั่นใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าไม่ไไหมายความว่าจะมีคนตามนะครับผมแม้แต่เผาของดูดวยก็ไม่ตามขอบคุณพระเจ้าดูัวเลิกไหมไม่เลิยดูกับพวกอิสเรลจนมาถึงวันนี้วันที่ยิบเสียโยชั ว, ดวาดูบาร์เอยเราจะครอบครัวจะเข้าไปวิจารณาละ ไปกายละเอี ย, ยดตัวนี้น่าสนใจมาก <Yes. S 1> แล้วอ่านตั้งแต่ข้อที่สิบหกกระตันนะฮะตัด บ, บทมาตรงนี้ล้กันฝ่ายประชาชนทั้งหลายจึงตอบวา่าซึ่งก้าพเจ้าทั้งหลายจะทิ้งพระเจ้าไปปอนใบัติพระอื่นนั้นขอให้ห่างกกลจากข้าพเจ้าทั้งหลายเถอดเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์งนั้นทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายและปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอิยิปตและพ้นจากเดือนธาต น, นั้นและเป็นผู้ ท, ทรงกระทำหมายสําคัญยิ่ง ใ, ใหญ่ในสายตาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงคุ้มครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ตลอดทางที่ข้าพเจ้าได้เดินไปและท่านการชนชาติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าผ่านไปและพระเจ้าทรงขับไล่นชนชาติทั้งหลายออกไปพ้นหน้าข้าพเจ้าคือ คนอมไรัยผู้ชื่นอยู่ในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นกบจตลาดจะปฏิบัติประโยวน์ด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของขเจ้าทหลายโยชุวาผู้ใดแต่โยชุวากล่าวแต่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจกปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบริสุรุษพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลวงแห่พระองค์จะไม่ทรง ใครความทรยศหรือบาปของท่านถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระเจ้าไปปณิบัติว่าอื่นแล้วพระองค์จะทรงหันกลับและกระทําอันตรายแก่ท่านและหลานท่านเสียหลังจากที่พระองค์ทรงกระทําดีต่อท่านแล้วและประชาชนกล่าวแต่โยชูว่าหาไม่ได้แต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะปณิบัติพระเจ้าแล้วโยชุว่ขาข่าแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานประกำตนเองว่า ท่านได้รพระเจ้าเพื่อปฏิบัติพระองค์นั้นเขากล่าวว่าข้าพเจ้าก็หลายเป็นไปงานท่านไดงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นจงทิ้งพระอื่นซึ่งอยู่ในหมู่พวกต่านนั้นเสียและโน้มจิตใจของท่านเข้าหาประโยชน์พระเจ้าของอิสเรลและประชาชนกล่าวแก่โยชัววา่าข้าพเจ้าทหลายจับปฏิบัติประโยชน์พระเจ้าของพระเจ้าและเชื่อฟวาพระชลเสียงของพระองค์ดังนั้นโยชัวก็ได้กระทำพันปัสัญญากับประชาชน และวางกฎเกณฑ์กฎหมานให้แก่เขาในวันนั้นที่เมืองเชเขมและโยชัวพระเจาลุกข้ายคำหลังนี้ในหนังสือธรรมัญของพระเจ้าและท่านได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่ใต้ต้นกอที่ในสถานน้ำมศการแห่งพระเจ้าและโยชัวกล่าวแกประชาชนทั้งปวงว่าดูเถิดศิลานี้จะเป็นพยานประจำเราล้อศิลานี้ได้ยินพระวจนะทั้งเส้นแห่งพระเจ้าซึ่งตรับแก่เรา จึงจะเป็นพยานหลักลำเราเกลือว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่านแล้วโยชัวก็ปอใอยประชาชนกลับไปยันที่มอโดกของตนทุกคนตรงนี้ความหมายคือโจชัวบอกว่าเราจะข้าไปฝั่งแล้นแล้วและไปปฏิบัติพระเจ้าก็บอกเราไปด้วยไม่ได้คุณรู้ไหมถ้าคุณไปถ้าคุณเดียวนเดียวคุณตายหมดเราไม่ดีเห็นไห เหตุกับตอนตอน้นเจอไหมตอนตอนโยชัวบอกไปเลยไอ้นั่นมันขนมโอ้โหไอ้นั่นเป็นระเจา้าไม่มีใครไปแต่มาถึงตอนนี้หลังจากอยู่เขาส0สิปีโดยประมาณไไมว่นเราก็ครอบครัวจะไปเขาบอกเขาจะไปเห็น ไ, ไหมการที่จะนำเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูตอ ไม่แค่เอาอะไรไปลอกนี่ไม่เห็นด็นะครับอ่านท่องพีขอพเจ้าช่วเราจริงๆให้ท่องพีเนี่ยเป็นเป็นเป็นชีวิตของเราโอเคกลับมาขั้นตอนที่สามเราอธิษฐานอธิษฐานและเมื่อเราได้รับคำตอบตรงนั้นนะฮะสองขั้นตอนนี้นะครับต้องจำไว้เลยนะครับเป็นเรื่องของเรืตลอดระยะเวลาเราต้องสร้างความสัมพันธ์ช่วยเขายืวยมือกับเขาคุยเขาเป็นมิตรกับเขา เขาจะเกเรเขาจะหน้าลำคาแย้ไหนรักเขารักเขาเหมือนพระเจ้ารักเราฟังอีดียอนบทที่ 3: ามข้อสิบอกกับเราให้ดําเนินตามอย่างที่มีอยู่ในเนื้อความย 3, 6, 6, นบทที่3ามข้อสิกเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกคนเล็ประชารพระบุบอตองค์เดียวของโลกผู้ทุกคนที่บางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิมพ์หนักแต่มีชีวิตที่ร่ำเราต้องได้แต่เนื้อหาคือเราต้องเริ่มต้นจากเป็น คนของพระเจ้าที่จะไปประกาศนำรุญาและสร้างสาวกล่อกพระเจ้าโดยยอสทธาทไมเขไม่สร้างสาวกล่อกพระเจ้าคนเรเพราะพระเจ้าเขามาชีวิตเราเพราะพระเจ้าคนน้ำนไทพระเจ้าเพราะคจับเี่เพาพระเจ้าสงรโลกเมื่อเปิพระเจ้าเราก็ต้องรักคนหลอนั้นโลกก็คือคนหล่านั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนั่นคือาแค่ไหนพระเจ้าพระเจ้าสาโลกจนได้สงครามจนพแก่เสส เห็นไหมพูดถึพูดถึเราพเพราะพระพเจ้าเราไปสร้างสาวเพราคนหล่านั้นที่เราไปสร้างเราก็รักเขารักขนาดเสียสละเสียสล ะ, ะไเพราะบุญองค์เดียวกสิ่งที่ดีที่สุดที่เามีอยู่เพื่อเขาเห็ははนไหมเพราะงั้นในยมวัที่สามรูคือรูปแบบที่เราจะต้องทำเพื่อป้อยเกิดการสร้างสาวว่าเมือ่อความสาคัญไปถึงระดับหนึ่ง เรามาดูขั้นตอนที่สามพัฒนาการคือพ่อแม่กันลูกกัหนองทาลุที่อยู่ในคันจะเริ่มตตเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ทาลกจะคลอดออกมานี่คือธรรมชาติทั่วไปแต่เรื่องของจิตวิญญาณตรงนี้กระชับความสัมพันธ์นะในคำอธิบายตอนท้าย สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมายด้วยความรักของพระคิดเพื uh. okay. no. ่อนําไปสู่การตัดสินใจต้องรับประเยชน์จากคิต้องทําจนกระทั่งเขามั่นใจว่าเราปรารถนาดีกับเขาจริงๆทุกเรื่องที่เราเสนอเขารู้เลยว่าเพื่อประโยชน์ของเขาทุกเรื่องที่เราให้ทุกเรื่องที่เราบอกทุกเรื่องที่เราให้เขาทําเขารู้เลยเมื่อเขาทำต่ามทำตามเขาจะได้เขาจะพ้นเขาจะลึกและเรื่องที่ไม่ใช่เราก็จะไม่แนะนําเราก็จะคอยขวาญเขาเราจริงใจและโดยสุดใจจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่ง นี่เรารู้จักกันมาเยอะแล้วผมอยากจะแนะนําว่ามีอีกเรื่องอที่ผมขอโทษที่ไม่ได้พูดุับคุณตั้งแต่ต้นคือเรื่องพระเยซูแล้วถ้าคุณมีพระเยซูปัญหาคุณเห็นไหมครับหลาเรื่องที่มากเนี่ยพระเยซูช่วยคุณแต่วันนี้ทํามันต้องให้พระเยซูช่วยคุณผ่านผมนะถ้าผมเกิดเป็นอะไรไปคุณก็แป รู้ออไหมว่าระยซูสามารถที่ทจะออค้คนสามารถอธิษฐานเฉพาะองค์ได้เหมือนที่ผมอธิษฐานใ้ทุกแต่รู้มเกี่กล้องอะไรชี้ของคุณูเฉพระองค์ไหแต่พระจาี ย, ายอธิบายก็ฝกเตรียมคำพยพานของเราให้เขาคุ้ยกขาตอนนี้พระเยซูถ่ายพระยังไงที่แจ้งให้เขา้อาจารย์สอนต่อเช่นของคน เป็นหนี้สองล้านบาทเองเพื่อนเขารับไม่ได้เพราะมันมีจ่ายมันจับลูกคุณไปติดคุกคุณเป็นพ่อคุณดึงเงินสองล้านมีไหมนี้สมงว่าคุณรวยคุณมีอยู่สิบล้านแต่คุณรับลูกคุณรับไหมแล้วคุณทำไมเอาเงินไปซืนกับสองล้านรูกคุณติดคุกไหมไม่ติดเหมือนกันพระเจ้ารับคุณนี่ของคุณคือตายแล้วก็ดีชั่งวันตายไม่แก่ล้าบาทครับมาตายแทนคุณ ว่าไม่เข็นคูมคันคืออะไรอธิบายเขาคุยกับเขาชี้แจงให้เขาก็ได้ดใจอธิฐานที่เราอธิษฐานมาตลอดป๊อเลยคุณไม่น่าเชื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพ่อผมเรื่อ้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมหลายคน <S <S แล้วมันแตกขึ้นกับท่านคนนี้านเด้วยโอเคท่านคนนี้เราต้อง <c oughs> สร้างความสะท้านจนเขามั่นใจว่าเราดีกับเขาจริงๆ ทเเุเรื่องที่เราพูดใช่เขาก็ไปคิดเมื่อพูดจบเขาเข้าใจแล้วอธิษฐานโดยว่าต่อไปนะเอามาดูอธิษฐานในหน้าทีส่สิขั้นตอนที่3นะครับเป็นการอธิษฐานเปิดประตูขั้นตอนที่สี่อธิษฐานใ น, นขั้นตอนการตัดสินใจเป็นการเปิดใจ หลังจากเราเล่าให้เขาฟังแล้วคุยกับเขาจนชัดเจนแล้วเขาได้เข้าใจความจริงว่าการที่จะมารับชื่อพระเยซูนั้นมันเกี่ยวข้องกับชนิดเขาอย่างไรบาปยังไงต้องเปลี่ยนแปลงยังต้องกลับใจใหม่ยังไงเขาเข้าใจแล้วที่เหลือตรงนั้นเราอธิษฐานเผื่อเขายืนยันตรงนี้ใช้เวลาไม่เยอะคุณลงคิดดูท่านคนึเปิดใจแล้วก็เข้าใจสิ่งที่คุณพูดอย่างที่คุณพูดในเรื่องความบาป และการกลับใจใหม่และความรับอองก็ยืนชัวรทิตคุณคิดว่าตรงนี้อีกนานแค่ไหนที่ก็จะกลับใจไม่นานครับยัมาูถิบจะทำงานเลยและขั้นตอนนี้จะไม่นานนะเพราะเรามาดูในขั้นตอนที่4ในหน้าหเกิดทางโลเกิดมาในโลกการตัดสินใจ พัดมาถึงตรงนี้นําบุคคลเป้าหมายให้มาถึงการกำเกิดใหม่โดยการอธิษฐานต้องรับไปรยโยชน์สุเป็นปปุวยรอดเป็นองค์ปปุจจ่างชิงของเราอันนี้ตัดตขั้นตอนไปหน่อยคือผมมาถึงจุดนี้พออธิษฐานเสร็จปั๊บเราเจอเขาเราถามเลยครับชวนแล้วก็ถามอย่าลืมหลายคนเราเป็นพยันกับเขาแล้วปนจุดเราก็ทิ้งเขาไว้เราไม่ได้ชวนที่เขายังไม่รับชื่อเพเราไม่ได้ชวน ผมไปเจอขอทานคนนึงที่สีลมกับเพื่อนของผมเราไปกินข้าวกลางวันมื่อนั้นแล้วก็ขอทานแล้วก็เออเอาไหนผมไม่แจกเงินะีมมนนนเลรู้สึกแปลกๆกับขอทานนนี้ก็เลยนี่ผมพาตุ้ไปกินข้าวด้วย ก, กันดีกว่าไม่เป็นไรครับผมจะไปกินข้า ว, วผมหมดหมดโอกาสขอทานเพราะตอนนี้ค น, คนคกินข้าวมันเดินดร้นผมเยอะอ่า เขาก็พูดดีเนี่ยเ a าก็โอเคเชี่ยวชาญใเลละไเผมไปิ้วเลยตึงนึงืาเาบอกขอโทษเาเปิดถุงัไปิ้วเลยตึงนึงเปิเปิผมดูหน่อยพหลังีหลก ไม่อยากบอกเ <laughs> จ้จาทิจจ์อะไรวะผมบอกคุณอ่านทุกใบไปอ่านาหลายรอบแล้วคุณเชื่อก็ยเยซูงอย่างผมไม่รู้จะเชื่ อ, อยังไงอยากเชื่อมากเลย <laughs> วันนั้นเราให้ทานไม่ได้เงินไม่ได้ให้ไวแลนด์งเขาอาธิษฐานรับเชื่อไปเยซูยที่กลางถนนนั่นที่ฟูตปา <laughs> โอเราอัยา ทำไมไม่ชวนตัอเลยชวนนะไม่ต้องกลัวว่าตอบยังไม่ยังไม่รอก่อนไม่ต้องกลัวรอก่อนเรารู้เลยว่าเราจะแบ่งที่ฐานตอ่อเรารู้เลยว่าต้องทําอะไรขอบพระเจ้าประทานปัญญาแต่เชื่อเจอมันจะเจอแกตัวนั้นนะยาดืาด่กดืดมันตรงนี้สำคัญมากขัก้นตอนเป็นตั้สิ่ใจแต่เมื่อมาถึงจุดที่ก็ตัดสินใจแล้วไม่ต้องพามาหาอาจารย์ที่โบสถนําข้าอธิษฐาน ขอพระเจ้ายกโทษให้ผมมยินดีนต้องรับพระเยซูคริสต์ละวางไปเลยแต่บรรดาที่กัรเอาคบพูดคาต่อคาให้อาจารย์ศึกษาสอนหน่อยใหใครก็ไดับจะติกระดัสอนหน่อยง่ายๆครับอย่าไปพูดให้มันเป็นมีอาจารย์ประเมนชีวิตไปแล้วเวลาที่ท่านบอกว่าใหม่ๆมาฟังแล้วก็รู้สึกยากนิดนึงขึ้นต้นก็จะขึ้นต้นไย ข, ข, ขอเดชาอะไรเงี้ยก็ค<อ>ือคือเปอ็นก็รต้นกันนับถึงต้นกันแล้วโอเค ผมนับถืออาการทา่านเป็นพ่ออะไรนะครับกับคุณพระเจ้าก็ไม่ต้องขนดนั้นง่ายๆทุกข์กับพระเจ้าแบบคำธรรมดานะเสร็จแล้วมาต่อตอนนี้ฮเมื่อเขาทานเราปฏิการับเชือ่อปั๊บขอโทษครับงานเข้าแล้วไอ้ข้อหนึ่งอื่ก็ใส่ยังไม่ได้เป็นงานนะถ้าลูกคุณเกิดมางานเข้าแล้วถูกไหมถูนไหมครับถ้าเดดยังกกอยู่ในทัน ยังครับงานเห็นไม่เข้ายังไปไหนมาไยกคังไปได้เหมือนกันครับวคนไหนที่คนนั้นอธิษฐานรับเชื่อปักตรงนี้แหละครับอะเราดูเราต้องอธิษฐามอะไรเรียกมันดูน่าเสกการอธิษฐานในขั้นตอนกันเล่นดูอธิษฐานเป็นการเปิดชีวิตเขาแต่ความว่าให้เขาพร้อมที่จะ เชื่อฟังพระอิสูเหมือนกับที่เราเชื่อฟังพระเราต้องเป็นแบบเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันต้องทำพรรคปฏิบัติมันจะไปด้วยกันไปด้วยกันประวัติบันทึกดูจบนะแล้วเหนไห ม, มถ้าเราพลิกมาดูหน้าที่แปล ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็เตรียมคําพยานส่วนตัวก็จะเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับคําพยานส่วนตัวที่เราพูดเขาเมื่อถึงวันที่เขาเปิดใจนะครับเขาอากจะฝากละเราก็เตรียมคําพยานส่วนตัวเป็นแนวทางง่ายๆครับผูดถึงชีวิตของท่านก่อนจะมาพบพระเยซูว่าเป็นยังไงท่านพบพระเยซูได้อย่างไรด้วยแรงจูงใจอะไรทำไมเราถึงมาพบมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ท่านลังเลในการตัดสินใจ ท่านก้าวข้าบุกนั้นได้อย่างไรชีพของท่านหลังจากพบพระเยซแล้วเป็นอย่างไงนะหมายเอตรวจสอบคำพยานหนึงต้องจบใน 3-5 ถึงนาทีสองชักเกนก็เข้าใจงาน3ามวประเด็นสิกันเองแต่ตรงนี้จะไม่เกิดราหว่าที่เราสร้างความต้องาผมเป็นคิดเส้นก็รู้ผมต้องไปบวถ์พีวันที่ขอโทษนะตอนเช้าผมว่าคุณผมมันดูแลคุไม่ได้นะคุณจะไปไหนผมจะต้องไปบสครับ ผมจะไปที่ฐานแตกที่ํานกุหุนนะครับโอเคนะฮะผมผมไม่เป็นไรผมมีคนาลอกคนนึงเขาดีดีที่มาช่วยแทนผมเขาก็จะดูแลแทนกันกันผมนะครับมีอะไรบอกเขาเลยนะครับในถ้าเขาหดคุณเรื้องนบอกผมแล้วก็บอกไม่ต้องชวนไม่ต้องอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยให้เราเชื่อพระเจ้ารัาพระเจ้าแล้วเราทำอย่างนี้เพราะพระเจ้าคุณจะไม่ดีผมไม่ดีได้ยินคุณเหมือนกันแล้วคุณไม่มีญนยากแล้วคุณไม่เป็นยาผม ผมเป็นคนเปล่าไม่ต้องถามถ้าคุณเป็นหมาผมยังจะช่วยเลยนี่คุณเป็นคนไม่ช่วยได้กันเองจริงใจเราเห็นเขาเป็นคนไหมใช้เวลาจริงๆเขาไหมถ้าคุณทําอย่างนี้ไม่ต้องถึงสามรับเขาจะเห็นความจริงใจของคุณแล้วเมื่อเขาเห็นความจริงใจของคุณบอกให้เขาไปตายเขายังไปตายเลย แต่เรากเขามาชื่อปิสเพื่อเจชีวิตมีเลยเขาจะไม่เอาถ้าเราอธิบายใ้เข้าใจแต่เราไม่ได้มาถึงปั๊บคู่ไปเลยแจกข้าวสารหถุงเอาไปมือหนึใบบอกใจเาตับใจใหม่ไม่ได้เอาลูกอาไปคืนเลยทันทีเลยนั่นตเห็นฮะกระบวนการไม่ยากเนี่ยง่ายๆแล้มาดูอีกคว่าเสาทิ้งที่อยู่หัไหนนมาถึงตรงนี้ลนแปอันนี้ใชกับ เวลาเราไปสร้างความสื่นชอกับคนแตกหนะ้า SALTING คือเป็นเกลือนะครับแล้วอันนี้อันนี้เป็นล อ, อกเข้ามาเนี่ผมผมนุมผมไม่ได้ทำเองนะเป็นล อ, อกเข้ามาแล้วคู่มือที่ผมไป็ล อ, อกเข้ามาผมผมเอามาด้วยครับเป็นเจลนี้เล็บแตกเป็นไทยนะครับมีจับตัง ภาษาไทยฉบับครูและฉบับนักเรียนนี่ฉบับครูนะ่าหน่อยฉบับนักเรียนก็จะเป็นบางๆนิดนึงนะฮะถ้าเราพลิกไปดูหน้าที่12เห็นไหมฮะแล้วเราไปเห็นในหน้า12บสอบรรทัดสุดท้ายเนี่นยฮะข้อความเล่มนี้เรียบเรียงมาจากบทเรีนของ Global l e a d e r s h i p Network Training Resource ก็คือเฉลยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ อส่วนเดกส่วนที่เราําทำอยู่เนี่ยส่วนเดกโอเคเพก็คือ shouting ก็คือเแล้วก็ถามด้วยความเป็นมิตรแสดงความห่วงใยธุรกิจการค้าห่วงใจริงๆนคไ้ถามแต่เขาหลงให้ฮาวอยูสมัยก่อนเป็นฮาวอายูอยู่นี่เป็นให้เจอได้กันให้ใหสนใจจริงเพราะคุณไตอบฮาอยูเามสนใจก็เลยเป็นให้โอเคเราถามจริงๆ ฟังด้วยความสนใจจริงๆละสิ้นนะฮะฟังให้รู้ถึงความรู้สึกของเขาคือฟังให้เข้าใจในและดินสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดเพื่อเราจะได้เข้าถึงใจเขาเวลาเราฟังต้องเรียนรู้จริงๆที่จะฟัให้ได้ดินสิ่ที่เขาไม่ได้พูดเพราะคนใจเราจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีสิ่งที่เขาไม่พูดแต่ว่าตรงนั้นถ้าเราได้ยินเราจะเข้าถึงจิตใจเขาถ้าเราเข้าถึงจิตใจเขาได้เราเร็วเท่าไหร่วามไว้เรื่อยใจของเขาก็จะมีกับเรามาก็ได้โอเคเสร็จแล้ว ที่ก็คือการเพิกควบคุมกานสนทนาให้เปนไปตามที่ต้องการอย่าพาไปนว่ก็ผูกพาไปแมนูเชสตี้พาไปนะำรุ่งพาไปการเมืองพาอะไรอะไราจะควบคุมนะฮะแนะนำาห้รจักพรเยซูอินโทรดเมื่อมาถึงจุดนั้นจะเกตดูการต่อบนองตลอดเวลาว่าเขพร้อมไม่พร้อมนะครับนําเข้าสู่การตัดสินใจเมื่อเขาพรอมนี่คือกระบวนการเซาท์ทเสร็จแล้วใน สิาข้อนี้ก็เคงมีคำอธิบายและมีข้อพิพินอันนี้ต้องเราไปอ่านศึกษากันเองที่บ้านหรือไปกลุ่มอินเซลหรือไปใน็กคุยกันตรงนี้นะครับเราไปเห็นอ่านแล้วกันอ่านเฉพาะหัวข้อแล้วกันหผู้หลงหายมีความสําคัญสําหรับพระเจ้าดังนั้นผู้หลงหายจะมีความสําคัญสำหรับข้าพระเจ้าด้วย 2. พระเจ้าทรงแสดงความรักแต่ผู้หลงหายแบบไม่มีเงื่อนไข ข้าพเจ้าจะแสดงความรักแบบเดียวกันแก่ผู้หลงหาย 3. การตอบสนองความเดือดร้อนของผู้หลงหายจะเปิดดวงตาให้ เ, เห็นความรักของพระเจ้าและยอมเปิดใจเชื่ความจริงของพระองค์และรับความรอดจากพระองค์สี่ผู้หลงหายจำต้องรู้ว่าท่านเป็นบ่วงยานเขาก่อนที่เขาจะฟังเรานะ หผู้หลงหายไม่ได้รับความรอดเป็นกาแต่เข้าใจกระบวนการไถ่บากของพระเยซูคริสต์ที่สัมพันธ์กับความเชื่อและการกลับใจใหม่ของผู้หลงหายเพราะจะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือพระพรหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะหเราได้รับพระปรบัญชาจากประกายสร้างส า, สากวกมะแจเพิ่มจํานวนผู้เชื่อ7จ็ดอาธิษฐานวิงวอนเป็นสงครามควาอิจฉาคุณต้องจริงจังมากาแ พระยศศึกมอสิทธินาจฝ่ายญญาให้เราทุกคนเรามีสิทธ์นะครับใช้ลิเกชทระให้เราตั้งวิาญาณผูตลาดได้มืเจอคนถกปีกข้าไม่อกลัวกับวามึับีไม่ต้องไปเสียงดันะไม่ต้องเสียงดักิบทไม่คนก็ไปอาแดดมาใสไม่รู้พวาคันมีอาการผิดปววาที่หัวก็กระบไหนนาไปยศเจาีไรพีกอ่พูดกับมัน ไม่ต้องเกรงใจไปใช่ในนามวิิตคิดจะไปช่นัน่นก็ไปนะไม่ต้องเป็นกระตุ้เ่าไม่ต้องเป็นเสียงดังเ อ, องขอเราเชื่อใน ล, ลิปเดกออกไปเจคนไทยเราถูกผีรบวน เ, อเยอะไหครับเยอะแล้วถ้าเราทำจริงมันจะเจอแล้วถ้าเราไม่ไปบรบกวนมันมันก็จะไม่แฝงลิบไม่แสดงแต่ถ้าเราไปบรบกวนมันเอาก็จริงๆรินะครับเดี๋ยวมันแฝงลิ คนท bon ี Bem ่ปกติดีๆเนี่ยพอเขปเป็นพยานมงเฮ้ตาฝากก็มาเฉยอะไรมนันนิ so ่ก be ันนิ่กันกันนิ่งอัน่กนอธิษาเลยในนาม่อนที่คิดไปพูดสั่งไม่จะพูดกับเพื่อนพูดสั่งไม่ต้องไปถามชื่ออะไรอย่าอย่าอยาไม่จะไปดูเพื่อนมันแม่งไม่ถามชื่อเเห็นหลายคนนะฮะเเห็นคนดูปีต้องถเชื่ออะไรเขาถามอะไรเขาไม่อยากเขาอยากนพูดอะไ นั่นก็ไดผมเห็นนี่เก็นกเจตนี่หะไอ้พวกกะาชื่ออะไรโอ้ยน่โอเคน่นเนไงมันชื่ออะไรกันโอเคชื่อกองยสู้ามคับนสูถามพาถ้าเราถามตัวเราใรั่วนั่นเป็นสิทธิอนาจที่ไปยืนสูแสดงให้เราให้กับคนในนั้นรู้เรื่องพวกวิสัยทัศน์อนาจเป็นประที่พคุถามเราไม่ต้องถามเราแคสิทธิอนาจ นแล้วไม่ต้องัวาการ่วมใจกัน กะมีคุณวิจาร์ฝั่งพระเจ้าพันกันอธิษฐานในแซลมีส่วนรับรู้แล้วก็โลภใจอธิษฐานต่อเขาการทีาเพื่อความว่าของผู้หลงหายเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำพระระเจ้าความเชื่อเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับอาิทานสิบสองในการอต่างต้องยืนหัในความเชื่ออย่างมั่นคงถึกวันแล้วตอบสาการอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับพยาช่วต้องกอาหาด้วยหลายครั้งหาก็อดอาหารได้อาตัวอย่าง สองพระับจุดตายนหนาสาศึกหนึ่งสองพระทัะสัจจะพระเจ้าเราตัสสัจจะเร า, รเาแตไว้พระเจ้าไม่มีแผนสอนี่แผนเดียวเราก็อออกไปสาวกจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ออกไปเป็นไปนไม่ได้ความคิดที่ผิดผมอ่านคุณอ่านในใจก็เอาไตามผมได้ออ ความคิดผิดข้าพเจ้าไม่มีเวลาจริงๆเรียนจบแล้วไม่มีเวลาขานะผมมาเรียนก็โอเคละพระเจ้าทรงเข้าใจพระเจ้าดีอาจารย์ยูนพระเจ้ารู้มากจริงๆจึงไม่สามารถปิดตัวมาเป็นผู้สร้างสาวองได้ผิดอ้าวที่ถูกพระเจ้าทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่นี้วนี้เพื่อทำตาม ประเทศไทยของเราและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เครื่ระแจ้ า, าที่จะใช้เครื่ะแจ้าเป็นสื่อในการนำขา่าวประเสริฐไปถึงชนทุกชาติเพื่อเสริมสร้างคนเหล่านั้นให้เป็นสาวกของพรานะเพราะงั้นคนที่ไม่มีเวลาตอนนี้อยู่ในปา่าช้าหมดแล้วคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในปา่าช้ายังมีเวลาเพราะเวลาชีวิตมันเรื่องเดียวกันถ้าคุณบอกไม่เวลาคุณกำลังแช่งตัวเอง อย่าบอกประเ้าพวองค์จ้าผมไม่มีละพวกเจรานั้นไม่ต้องเอาอะไร่คุณไม่มีเวลาเวลาที่คุณมีอยู่ไม่ต้องใช้แล้วไปนอนในพระช้าเลยใช่ไหคนตายแค่นั้นที่มีอยู่แล้วทุกคนได้ยินส่งเจ้างเท่ากันนะจะบรหาไ้ไงกันนั่นโอเคหมห้าบอกคนโบราณนี่ความคิดปิดพระเจ้าไปเลยเรื่กระบวนการผู้สาตสาโลกโตเมาแล้ว ตนะั้งวันเลยพระเจ้าทรงมอบภารกิจสร้างสาวกขึ้นกับผู้เชื่อในพระเยซูคริสทุกคนนี่คือความจริงความคิดผิดชีวิตของเจ้ายังไม่ดีพอที่พระเจ้าจะใช้ในพระาระกิจอันยิ่งใหญ่ของบ้านเลยเป็นเรื่องสิ่งตรงนี้ผิดครับความจริงคือพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะทำงานผ่านผู้เชื่อทุกคนถ้าไม่จำเป็นต้องดิ้นร้องทุกเรื่องสิ่งสําคัญก็คืออยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจเรและหัวใจที่เชื่อฟังก ความคิดถิกพรเจ้าเป็นคิดเช่นใหม่ยังไม่สามารถเป็นผู้สร้างสาวกได้เราคุยกันแล้วนะเราเป็นสาวกเมื่อไหร่เราก็จะต้องเป็นผู้สร้างสาวกเลยพระเจ้าทรงทำงานผ่านชีวิตเช่นใหม่ให้เกิดผลได้เป็นอย่างดี ไม่น่าเชื่อที่ผมพบนะครับทํางานปั่นคิดเชซนใหม่ได้มากกว่าให้คิดเซนเก่าแก่น้ำหนึ่งโอเคควาคิดผิดกัปปเจ้าไม่มีของประธานในการสร้างสาวกแปายนะฮะรู้แล้วลเรียนมาแล้วการสร้างสาวกเป็นหน้าที่ของคิดเซนทุกคนและของคิดเซนที่มีของประธานทุกช น, นิดความรับผิดชอบด้านการสร้างสาวกจึงเป็นสิทที่ต้องทางําคู่กับการรับใช้กระเจ้าตามของประธานของแต่ละคนที่แปะ ความคิดผึดกับเจ้าได้ผ่านการอบรมและเรียนรู้บทเรียนการสร้างสาวกเพราะฉะนั้นกับเจ้าสามารถเป็นผู้สร้างสาวกได้ดีกว่าคนอื่นและเกิดผลมากกว่าคนอื่นผ <Yes. S 2> ิเพราะการเกิดผลเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เกิดผลเท่ากันความสําเร็จในการสร้างสาวกเป็นผลมาจากชีวิตด้านจิตวิญาณที่ดีและจำนินชีวิตตามในทางของพระคิดธรรมปีบวกกับความเชื่อเหลือของพระเจ้าในการทำตามพระบัญญาตของพระยุคคิด ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสาวกที่มีประสิทธิภาพส่วนทักษะนั้นจะแ ต, ตกต่างกันตามขนาดของประสบการณ์ของเราแต่ละคนแน่นอนล้วตัวมีประสบการณ์มากทักษะก็จะมากขึ้นก็จะสรุปอะไรได้เร็วขึ้นอ่านคนออกเร็วขึ้นจะเก่งขึ้นเข้า ใ, ใจคนได้เร็วขึ้นก็แค่นะั้นน ะ, ะเรามาดูหัวใจสําคัญอ่านครับอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งความสําคัญที่ดีข้าพเจ้าตัววัด ใช้เวลาฝึกตัวกับพระเจ้าเป็นประจํำอย่างสม่ำต้นสม่ปลายมีชีวิตที่แสดงถึงการเจิเติบโตอย่างชัดเจนมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณที่เล็กซึ้งความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างตัววัมีความกระตือรือร้นในการยืดเหือในความร่วมมือกับกิจกรกกรมต่างๆที่ตนเองสา ม, มารถทําได้ด้วยความดนดีความสัมพันธ์ที่ดีกับทิศ จ, จกักรตัววัด ร, รับปิะทานสมาธินานะและมีความละและผูกพันกับทิศ จ, จกักร เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ในด้านการถวายและการรับใช้ให้ความร่วมมือกับธุรกิจและผู้นําของพิจารเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เป็นเป้าหมายต่อวัรมีความกระตือรือร้นในการเปนเยือยเยียนรับผิดชอบตร น, นักที่ได้รับความหมายในเรื่องการสร้างสาวกงูนะครับอภิษฐรนเพื่อคนที่เป็นเป้าหมายอย่างฉพ่ำเสมอสาวกที่ดีคือสาวกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสิประการจอ มีคำถามไหมทั้งหมดนี้เป็นแนวนะฮะเป็นแนวแล้วก็คุณดำเนตามแนวนี้จะเห็นหกัไครับว่าเราต้องไปต่อยอดการต่อยอดเท่าที่เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่เช้าใครที่อยู่ตั้นแา่เช้าก็จะเห็นว่าบางอย่างต้องปรับปรุงที่เรามีอยู่แล้วบางอย่างอาจจะต้องเปลีป่ยนแปลง และบางอย่างอาต้องเพิ่มเติมส่วนชีวิตพวกเราแต่ละคนต้องรับประชอบและทั้งหมดเป็นงานของทุกการทำริวกันร่วมกั น, นำเป็ น, นหนึ่งเดียวกันหลักกันไม่มีอะไรเป็นเปนไม่ได้ในเมื่อส2องคนแรกยังสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นวันนี้เรามีมากกว่า12คนอยู่ในห้องนี้ประมาณ 40-50 คน เราติดฟืนไม่ใช่เฉพาสมุทรูมิแล้วทั้งกรุงเทพได้สบายสบายผมพูดจริงจริงจังครับถ้าเราอธิษฐาอโทษ้ารอธิบายเป็นลึกๆของการกลับใจใหม่เรื่องบาปอะไรั้งนัวันที่เขาเชื่อเราต้องยืนันแต่เขาัะเก็งว่าเขาง มีหมมาวางมียาานไหมมาวเรื่องการเล่าอะไรทีกคนที่อยู่ที่เมาวาการกลับใจใหม่คือทิ้งจากชีวิตเดิมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเดิมมาวาแล้วคุณจะตึ่เต้นขอทษแม้แต่สิ่งัสทที่เขาเคยเชื่อถือราคาหลายตังนะครับเขาก็จะอัมาวอาจารย์จะาไปทาอะไรก็ได้ เขไม่เอาไปลายต่อไม่เอาไปส่งอตัวตึงใจครับแล้วมือที่บ้านเขาอะไรเนี่ยเขก็จะโกรธละเราก็จะไปทำให้เขาดูเพื่อเขจะได้เห็นแล้ววันนี้ยเขจะทำให้เป็นอย่นีนะะ้ะครัวันเรื่องการประเมินตรงนี้ไม่ยากนะครเพราะถ้าเราดำเนินมาอย่างถูกต้องนะครที่เรากลัวว่าเขาจะรับเชื่อจริงป่ะพรว่เราไปเอาอะไรบางอย่างไปล่อเขาเอาความสำเร็จไปล่อเขาเอาอะไระอะไรตัวนั้นนั้นผมบอกไม่ได้มือเลื่อเขาเชื่อจริง แต่ถ้าเราดำเนินตรงนี้แล้วเราก็ชี้แจงแล้วเกข้ต้นก็คือความบาเพื่อชุ้กตัดนะบขอบคุณครับสหรับคำถามมีไหมเช่นนีครับนัขอบคุณครับ คนกียัไม่เชื่อแอรนเงินทองเราก็องยืมเงินทองให้เขาเขาจะหลไปไหมเาคือเราไม่เชื่อช่วยเงินทองเพื่อเขาจะรับเชื่อแต่เราช่วยเงินทองเพื่อให้เขาคนก่ความไม่รอดแล้วาการช่วยเงินทองเขาทำให้เขานสัยทีดีมากขึ้นแล้วก็กีโควิเดือดร้อขึ้นเราหาวิธีที่จะช่วยเขาให้สามารถสร้างเงินด้วยตัวเขาเองมันเป็นหลักกาง่ายๆคนกับปลานเขากินเขาก็ต้องต้องการกินไป เออลนี่มัับตาไปนะวะเราหาวิธีสอนก็จับตาให้แข็งขึ้นสะดกขึ้นเพราะเราต้องดูเวลาคนเรีนร้อมเงยเงยมการะเอีนนี้หนึ่งคลาสสิกหน่อยนึงต้องเรียนรูว่าเราจะช่วยกขาองไช่วยเขาสามารถมีระกาสที่จะทางานถ้าเขาเป็นคนไมไม่คิดเกงจริงๆเราอะไรเราก็คือมีช่ใพวกเราเยแยะมีใจที่มีโอกาสให้ให้เามาทํองานแม่บ้านหรือมาทาดูแลรักษารถหรืออะไรได้ให้เขามีอะไรได้สักอย่างอย่างผมผมผมเคยอยู่ที่บสถ์เนี่ยแเีย เวลาคนที่มาจากปวดมานักราชการมาจากกองเตเยเยอะแยะเลยแล้วก็เดือดรอนไหมเดือดร้อนไหมทไมอ่ะเฮ้ยจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่เป็นขายของเปนไม่เป็นเคยขาย้็เคยขายอะไรขายผักต้องการทุนเท่าไหร่พั น, นก็พอแล้วแล้วพัน น, นี้ซื้อผักได้เท่าไหร่แล้วขายหมดไหมวันต่อวันหมดครับเอาแต่ไปซื้อผากให้ไปพันหนึไม่ต้องไปควบคุมแต่ตามว่าวันนี้ขายผักไหนายกี่โมงได้เท่าไหร่แล้วมีทุนพอหรือซื้อผักไหมอะไรเงี้ย มีบคนอ้าไปขายป่นแต่ว่าเดดร้อนเรื่องเงินก็อะไรก็ไปกู้เงินนอกระบบที่เขาเคยคนกู้เงินนอกระบบเยอะเท่าไหร่จ่ายหมดจ่ายแทนเขาแล้วเอาเงินเนี่ยมาคืนเราโดยไม่ต้องมีดอกเบี้ยเห็นไหมเราไม่ช่วยเงินต่องเขาโดยให้เขาอะเราช่วยกดดอกเบี้ยให้ครับ ลองคิดดูดิเขาไปกู้นี่มาแล้วก็ต้องไก่ดอกเบี้ยเดครับวันหนึ่งเนี่ยแปดอยบาทเขาขายผักเนี่ยได้วันหนึ่งประมาณ900 9ก้าร้อยถึงเก้าร้อห้าสิบาทเขาไก่ดอกเบี้ยเนี่ย800้อยบาทต่อวันไม่ได้ลายเดียวหกลายลายนั้นตาลดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับแล้วเขาเหลือเก้สบบาทเขาจะกินมันเขาจเอาเงินที่ไหนไปซื้อผักเขาต้องกู้อีกเพ้ามขึ้นมา เราคืนมาเขาก็าจะก่เราไม่ต้องแปดร้อยบาทเขา่าละร้อยแล้วคืนมาคืนหักเงินต้นเลยนี่พี่เดาในที่สุดเขามีรถเก่งเขาขยายกิจการไายขับรถได้เพราะในการช่วยเหลือเงินทองคนที่เดือดร้อนใช้เศิษฐกยาไม่ใช่เ ข, เ, เขาขอออกปากแล้วก็ให้เัิน ผู้ย่าวสร้างความสัมพันธ์ถ้าเขามาแล้วก็แสดงความเดือดร้อนก็เดือดร้อนี่เงินนั่งลงเลยครับถามเถอะแล้วเราจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเขาจะโกหกเราไม่เป็นไรเขาต้เป็นคนปาข้ของอะไร ก, การคูกินไใช่ <laughs> ขอโทษนะอย่าโกหกโกหกง่ายม า, า, <c oughs> า, าไม่ถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเราต้องคุยกับคนป่าถูกไหมเพราะนั้นขเขาโกหกราต้องฉลาดพอที่จะจู้ว่าเขาโกหกเราไม่ถหก่ะไม่พอเขาโกหกเมันไม่กับน่แล้วเมื่อไรกบัดจะได้รับา่ยเหลือกบักทุกคนโกหกั ่ไมแม้แต่คนชอบก็มีโกหกไปอล้วเป็นนักเลงกับตัวเโอเคคนขอเรามีท่าทีที่ถูกต้องในเรื่องการต่างสวแล้ววันหเมื่อเขามาเป็นสาวกของพระเยสุภิุณวก็จะไม่โกหกเขาไม่ได้ยืตางกันรืออะไกันไมเราต้องคุยบริบทที่ชัดเจนในก้อตกลงพูดถึงเรื่องยืนพูดถึงเรื่องให้มีนมีเรื่องยืนเรื่องให้มีมีะใช่ไมแม้แต่พี่น้องในหูพวกยด้วยกันก็ยืนกัน ยืมเงเร็พอครบเปีปาก็มีบริบทมีกติกาเพราะดันั้นพระกมพีอนุญาตให้เราทำหน้าที่ยืมต่หน้าที่ช่วยนะเกาว่ากไปแต่มีกติกาเรื่องยืมไม่ผิดพระกมพีเรื่องให้ก็ไม่ผิดพระกีนะเพราะต้องอ่านพระมภีเยอะๆนอยาจารานะพี่น้องก็ยืมกันยืมก็ว่ายืมกันนะครับมีนี่มีนี้กันเหมือนกันถูกไหมครับ ก็ยิ่ยกตัวอย่างว่ามีคนนึงมีนี่แค่นี้ก็มาขอตอนนี้ก็ยกนี่ให้เขาก็มีลูกนี่ก็ให้ยกนี่ให้ถ้าเมือม่อกี้าไม่มีปรอนุญาตจริงจริงก็ยกนี่ให้อะไรเนี้ยเราก็ช่วยเขาอย่างแต่คนรูปแบบตรงนี้กับยืมกับให้เนี่ยมันมันมันเป็นคนเรื่อง ก, กันเป็นเปร์เซ็นที่แตกต่างกันก็เราต้องแกงให้ชัดเจนเมื่อไห่ว่าอะไรก็ให้ เ, หเดียวไม่ใช่นะฮะนะบบั้นศึกษาเคภดีมี แต่ชัดเจนรับรองไม่ทำให้เราระบาดใจในการได้ความเพื่อเดือดร้อนเรื่องเงิน แ, แน่นนะ okay. อนโอเคพร้อมไหมซีโมเชกั น, นอธิฐานก็นบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้และสิ่งที่เราได้เรียนเกิดไปโอภพจะกลายเปมีรายละเอียดอีกมากคู่ไปกับผลรีย ในร่างเราให่จนั้นเราไม่สามารถรู้ว่าคืออะไรจนกว่าเราจะลงไปสู่สนามจริงไปพบกับคนคนนั้นจริงๆดังนั้นขอพขระองค์ทรงโปรดคุยพรพี่น้องทุกคนความตั้งใจความเข้าใจในระดับหนึ่งให้เป็นผลจากงานของพรองค์อยางรดสุดที่จะช่วยพี่น้องทุกคนได้เกิดเป็นแนวทาง ในการที่จะก้าวต่อไปเพื่อจะดำเนินชีวิตตามพระบัญชาของพระองค์ในการต่ อ, อไปสร้างสาวกต่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักโลกพระเจ้าเรารู้ว่ า, าการใช้เวลาเพียงหนึ่งวันนั้นเนี่ยไม่สามารถให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าภาพจัดเจนจะไม่ปรากฏจาก ก, การที่มานั่งเรียนอย่างเดียวต่อให้กี่วันก็ตาม ดังนั้นขอพวกชมพศเราเมื่อเราก้าวออกไปสู่สนามจริงมกป้ผู้กคนจริงกำหนดหมายบางคนจริงอาทิฐาเถื่อก็จริงพระกจ้าเม่อถึงเวลานั้นเรารู้ารายละเอียดอื่นๆที่ยังไม่ชัดเจนก็จะปากรถเดชในแต่ละคนขอเราที่จะทําด้วยกันทําร่วมกันก็โอเคครับประธานสถิตย์จะให้กับเราทุกคนก็รเราทุกคนที่นั่งในที่นี้พร้อมแล้วที่จะตอบอยู่น้องพระประชารของพราและเราจะตื่นเต้น ด้วยกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราบารใต้ความเชื่ อ, ลอและแระงอันโศกตหัพถกที่พวกโดกกำลังกระทำอยู่ในชีวิตของเราทุทกคนเวลาที่เราจะแยกแยะกันชั่วคร า, ขาวขสถิตอยู่กับพวกเราทุกหลายทุกคนแต่มีกิจต้อง ท, งง ท, ท, ท, ท, งทงำก้อยกิจที่จะทำน้ำสเหตุร่วง้แยกแัะกันกับป้านกับิึงที่ภาพด้วความปลอดภัย เป็นค่ามพุ่งจะนำมาปรกับมาสูกา่การมาชการในโอกาสต่อไปจะเป็นวันพรุ่งนีน้หรือวันใดก็ตา้อาิตฐานฝากซึ่งราชการพระจักรพรรดิทรงฤทธิของพ ร, ระเอกนามพิเศษพิทเจ้าขอพระเจ้าอว่พนให้ทุกคนเห็นผลที่เกิดขึ้นรับ